เมืองไทยสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์นะอันนี้เราก็ได้ยินกิติศัพท์ดีนะอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำท่าทั้งข้าปลาอาหารแต่ว่าน่าสังเกตนะว่าคนไทยสมัยก่อนนี่จะใช้น้ำจะใช้อาหารอจาจจะบริโภคอาหารนี่ก็ประหยัดนะอย่างเช่นน้าเนี่ยน้าน้าใช้เวลา ล้างจานเสร็จนะเขาก็จะไม่ทิ้งทีเดียวนะก็จะเก็บน้ำเอาไว้เอาไปรดน้ำไม้ได้น้ำอาบก็เหมือนกันนะทางดที่น้ำก็มีเยอะแล้วคนที่ทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นคนจนนะคนชั้นกลางหรือแม้กระทั่งคนมีฐานนะก็ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันบางทีก็แม้จะร่ารวยนะแต่ว่าก็เลือกใช้น้ำเช่นเธอใช้น้ำอาบก็อาจจะเป็นน้าประปา สมัยที่มีน้ําประปาแล้วแต่ถ้าจะลดน้ําต้นไม้ก็ใช้น้ําในบอ่อก็เลือกใช้บางที่น้ําก็มีเยอะที่สวนโมกเนี่ยสมัยที่ท่านเจ้าพระยท่าเรีงอยู่เวลาเวลาจะฉันน้ําเนี่ยนะถ้าพระนะเติมน้ําให้ท่านเนี่ยเต็มแก้วนี่บางทีท่านก็ทวงนะเพราะว่าท่านฉันไม่หมดก็จะให้ เติมน้ําเพียงแค่ครึ่งแก้วหรือว่าค่อนพอดีกับที่ท่านฉันหมดได้คือถ้าดื่มไม่หมดฉันไม่หมดเนี่ยต้องทิ้งเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าเสียดายทั้งทั้งนี้น้ํานี่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกนะเป็นน้ําฝนแล้วก็ภาคใต้เราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ําฝนนี่เยอะแยะเลยนะฝน 8. แดดสแต่ว่าน้ําจะมีมากเพียงใดก็ตาม ถึงเวลาใช้ถึงเวลาบริโภคก็ก็บริโภคเท่าที่จำเป็นอันนี้เป็นลักษณะของคนไทยสมัยก่อนนะทั้งที่น้ำเนี่ยฟรีแล้วก็หาได้ง่ายตรงข้ามกับสมัยนี้สมัยนี้นี่น้ำนี่มีราคา น, ะน้ำขวดขวดนึงก็สิบบาทบางทีก็มากกว่า น, นั้นแต่สังเกตดูเวลาอ่า เติมน้ำนะรินน้ำใส่แก้วส่วนใหญ่เราก็จะรินน้ำให้เกือบเต็มหรือว่าให้เต็มถ้วยเต็มแก้วแล้วก็เวลาฉันหรือว่าเวลาดื่มก็ก็เหลือนะไอ้ที่เหลือเนี่ยเวลาเราทิ้งไปนี่มันคือเงินนะอาจจะ บ, บาทสองบาทด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่เราทราบนะน้ำมันแพงกว่าน้ำมันสิ่ไหมผู้คนก็ไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าน้าที่กินไม่หมดเนี่ย มันศูนย์เปล่ามากเลยเออถ้าเก็บเอาไว้นะเอาไปล้างถ้วยล้างชามหรื อ, อไปรดน้ำต้นไม้ก็ยังพอคุ้มค่าแต่มันก็ไม่คุ้มค่าเงินนะั้นนะเพราะว่ามันเป็นเงินนะไอ้ที่เราทิ้งไปนี่แต่ละแต่ละถ้วยแต่ละถ้วยแต่ละมือนี่คนหนึ่งนี่บาทสองบาทด้วยซ้ํานั้นปนัญหานี้มันแก้ง่ายนิดเดียวนะก็เพียงแต่ว่าเราเติมน้ําเราลินน้ําเนี่ยให้พอฉัน ซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่เต็มแก้วหรอกนะมันก็ครึ่งแก้วแต่ว่าเราทําเป็นที่ใสเออถ้าเราไปที่ร้านคา้าแล้วแล้วก็วกพวกพนัก ง, งานเสิร์ฟเติมน้ําให้เราเกือบเต็มแก้วนี่ก็ว่าไปอย่างเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาแต่ก็เราก็สังเกตเหมือนกันนะว่าน้ําที่เราที่เติมในร้านอาหารเนี่ยก็กินไม่หมดเหมือนกันอันนี้เสียดายมากถ้าคิดเป็นเงิน แ้มันยิงน่าเสดยายใเมื่อเราพิจารณาว่าน้ำนี่มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วคือนอกจากแพงมันก็ยัง <c oughs> มันก็ยังมีจำกัดด้วยเริ่มจะขาดแคลนแล้วดูอย่างวัดป่าสุกโตก็ได้นะสุกโตนี่แต่ก่อนนี่น้ำเหลือเฟือนะเพราะว่ามันอยู่บนเขานะแล้วก็ฝนฟ้าก็ตกต้องตามฤดูกาลจะเรียกว่าน้ำเกินก็ได้นะ สมัยที่มาสุกโตใหม่ๆเนี่ยถ้ามาหน้าฝนเนี่ยแต่ก่อนนี่มาหาหลวงพ่อที่ท่ามาไฟหลวงพ่ออยู่สุกโตประมาณปีสองสามนัดเอาไว้ตอนเช้านี่ท่านมาไม่ได้นะมาไม่ได้เพราะอะไเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมท่วมสะพานท่านมาไม่ได้จากสุกโตไปท่ามาไฟต้องรอให้น้ําลดแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกปีนะจนกระทั่งเป็นที่รู้กันว่าเนี่ยบนหลังเขานี่น้ํานี่เยอะมาก แต่ในนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วนว้ำน้ำก็น้อยลงขนาดน้ำในสาเนี้ไม่เคยแห้งแบบนี้มาก่อนเรียกว่าน้ําต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูแลนคาก็ได้แล้วมันก็ไม่ได้เป็นเฉพาะที่นี้เป็นที่อื่นด้วยนั้นอันนี้มันเป็นปัญหาของยุคนี้แล้วที่ว่าน้ําเริ่มน้อยลงแต่ว่าการใช้น้ํานี่ก็กลับฟุ่มเฟือยนะตรงข้ามกับสมัยก่อนนี่น้ําถ้าอุดมสมบูรณ์แต่คนใช้ประหยัดมาก ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำที่เราใช้กันอย่างาฟุ้มเฟือยนะแล้วก็เสียเปล่าอาหารก็เหมือนกันนะอาหารทุกวันนี้นี่เราก็ใช้แล้วสูญเปล่าเยอะมากมันเป็นอย่างนี้ทั้งโลกเลยนะเขาบอกว่าโลกเนี่ยปีหนึ่งผลิตอาหารได้ประมาณ 3,000 ล้านตันแต่ปรกว่าอาหารที่สูญเปล่าสูญเสียไปนี่หนึ่งในสามที่เดินนะหนึ่งพันล้านตัน ไอ้หพันล้านตันนี่มันโหดรานนะเพราะว่าแค่สามรอยล้านตันนี้ก็เลี้ยงคนแอฟริกาไปได้ทั้งทวีบแล้วแอฟริกาก็อยากจนมากการสูญเปล่าของอาหารนี่มันเกิดขึ้นอย่างน่ากลัวมากนะมันเริ่มตั้งแต่เก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เก็บเกี่ยวไม่ครบนะปล่อยให้ข้าวปล่อยให้พืชผลตายหรือว่าเน่าเสียในไร่นาเท่านั้นไม่พอเนะนเวลาขนมาเนี่ยขนใส่รถนี่มันก็ ตกหล่นตามรายทางนะแล้วพอมาถึงร้านอาหารมาถึงร้านขายร้านค้าเนี่ยมันมีเยอะก็จริงนะแต่ว่าก็เพราะมีเยอะนั่นแหละเวลาคนซื้อก็ซื้ อ, อ, อไม่หมดนะมันก็เหลือเหลือทาําไงเหลือก็ทิ้งนี่ศูนย์เปล่าเป็นขั้นที่สมแล้วนะไอ้นคนที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมาเยอะๆก็เก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้หรือว่าเก็บมาเก็บไว้ในบ้านแต่เวลาใช้จริงระปรุงอาหารก็ ปรุงไม่หมดนะไอ้ที่เหลือทำไงาเหลือในตูเ้เย็นก็ทิ้งเน่าเพราะมันเน่าเสียนี่ขั้นที่สีแล้วนะนะพอมาปรุงอาหารเนี่ยปรุงเยอะเนี่ยแต่กินไม่หมดนะไอ้ที่เหลือเป็นอะไรขยะนะแทนที่จะเอาไปช่วยคนอื่นอย่างดีหน่อยก็เอาไปเลี้ยงสัตว์นะเอาไปให้หมากินแต่ตอนนี้คนมีฐานะเขาก็ไม่ได้เอาอาหารเหลือทิ้งไปให้หมาให้แมวแล้ว พอเขาซื้ออาหารหมาอาหารแมวต่างหากออกมาก็เป็นขยะ ก, ก็สูญเสียไปอีกอันนี้เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกนะในเมืองไทยก็เป็นนะอันนี้ก็น่าเสียดายมากนั้นถ้าเกิดว่าเราเราในส่วนที่เป็นในส่วนที่เราซื้อเป็นผู้บริโภคเนี่ยถ้าเราซื้ออาหารเนี่ยซื้อมาแต่พอกินจากร้านน่ะ น, นะเราคำนวณให้ดีนะซื้อมาแต่พอกินแล้วก็ พอมาเก็บไว้ที่บ้านถึงเวลาจะปรุงก็ปรุงนะแต่พอกินมันก็จะไม่เหลือทิ้งนะอันนี้เป็นสิ่งที่ เ, เราต้องใส่ใจมากขึ้นแล้วถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทวนกระแสบริโภคนิยมนะกระแสบริโภคนะิยมคือว่าเนเรื่องความรู้หลาฟู่ฟ้านะทิง้งไปทิ้งก็ไม่เป็นไรนะขยะมากก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามัน ที่จริงมันเป็นไรนะเพราะว่าไอ้ขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างปัญหาสร้างมลภาวะเดี๋ยวนี้ที่ฝังกลบขยะก็หายากไอ้ที่จะเผาก็มีปัญหาวัดเราก็มีปัญหานะเรื่องขยะเนี่ยเพราะว่ามันต้องจ ก, กําจัดนะกำจัดอย่างไรดีนะส่วนหนึ่งก็พยายามนะเอาไปเอาไปหมักเพื่อทําให้เป็นแก๊สนี่ แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นทั้งเป็นพลาสติกนี่ก็ต้องเผาบางทีไม่มีกำลังก็ต้องกําจัดด้วยการเอไปทิ้งที่ในเมืองแกล้งครอแต่มันก็เป็นการ ผ, ผาลักภาระไปที่อื่นอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบนะที่เราควรจะมีในเรื่องการบริโภคไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นอาหารแล้วพูดถึงน้ำเนี่ยอย่างที่ว่าเราเดืนนี้เราใช้น้ำขวดเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แค่ว่ามันมีราคาเท่านั้นนะไอ้น้าขวดเนี่ยแต่ว่ามันมันเป็นภาระกับโลกด้วยเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ตอนผลิตนะผลิตอ่พลาสติกขวดพลาสติกเนี่ยมันก็ใช้พลังงานแล้วแล้วมันก็ปล่อยมลภาวะเอาน้ำมาจุขวดแล้วเก็บไว้ที่ร้านค้าคนซื้อก็ต้องขับรถนะไปขนมาอันนี้ก็ใช้น้ำมันแล้วนะ เกิดมดลพิษอีกเหมือนกันซื้อมาแล้วนี่จะมาถวายวัดก็ต้องขับรถมามาถวายวัดนะก็เปลืองน้ํามันอีกนะเกิดมดลภาวะพอมาถวายวัดวัดใช้เสร็จมีปัญหาอีกอขวดนี่ไม่รู้จะทิ้งหรือกําจัดอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนี่ลองดูนี่มันมันทั้งเกิดความสูญเปล่าแล้วก็เกิดมดลภาวะนะเกิดความสูญเสีย ทั้งในรูปของเงินทองทั้งในรูปของความผาสุก ข, ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันต้องสูญเสียอย่างนี้เราต้องใช้ให้คุมนะอย่างน้อยเราก็ช่วยช่วยแสดงช่วยกันรับผิดชอบด้วยการใช้น้ำให้มันคุมนะง่ายที่สุดคือเติมน้ำเนี่ยพอพอฉันนะไม่ใช่เติมแต่เติมให้มันเต็มหรือว่าเติมค่อนแก้แล้วฉันไม่หมดแล้วทิ้งนะ เพียงแค่เราทําอย่างนี้นี่ก็ถือว่าได้แสดงความรับผิดชอบต่อโลกแล้วแต่มันก็ยังไม่พอต้องทํามากกว่านี้แต่นี่คือสิ่งง่ายๆนะที่เราทําได้สอนลูกสอนหลานนะไม่ต้องอายนะถ้าเกิดว่าจะเติมน้ําแค่ครึ่งถ้วยหรือแค่หนึ่งในสมเพราะว่าถ้ามันพอฉันก็ถือว่าเราได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วที่จริงมันจะคุ้มค่าอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเราฉันไปแล้วเราดื่มไปแล้วนี่เราไปทําประโยชน์ด้วยนะ ถ้าดื่มแล้วฉันแล้วหรืออาหารก็ตามเนี่ยน้ำก็ตามไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยใช้ชีวิตของเราอย่างศูนย์เปล่าหายใจลดทิ้งไปเปล่าเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี้ก็ยิ่งศูนย์เปล่าก็าไปใหญ่อันนี่คือสิ่งง่ายๆที่เราจะทาได้นะสำหรับทรัพยากรที่จากัดแล้วก็มีน้อยลงทุกทีเราเตรียมรับพร